เริ่มสุกไปใหม่แ อ, <ś led> อ่าวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ษษษษษษษษแล้วไม่ยำเลย ทำไงอย่าใหม่ให้ชีวิตเราด้วยคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำยังไงมีเกณฑ์เงสองอย่างขี้บัตเอาไว้ความชั่วมีเท่าใดก็ยอมละให้ทำเกิมดีมีเท่าไรพยายามทำ สักสองอย่างนี้นับรองว่าใหม่จริงๆที่นี่วิธีปฏิบัติทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นจอบ ก, กรรมฐานเพราะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามีสติแล้วก็ละความชั่วแล้วถ้าเรามีสติแล้วก็ทำความดีแล้ว แต่เรามีสติจิตก็บริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้าจึงว่าทำอันที่ทาให้ไม่ประมาทคือสตินี้ใหญ่ที่สุดเหมือนลอยเท่าของช้างใหญ่กว่าลอยเท่าสัตว์อื่นลอยเท่าสัตว์อื่นมารวมลงที่ลอยเท่าของช้างลงได้ทั้งหมดเลย คำสอนของพระเจ้ารวมลงที่นี่ดึงจังชื่อว่ากรรมฐานศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนน้ายเป็นดีได้เนี่ยยงว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดไปทุกอย่างเพื่อให้สะดวกเก่ผู้ที่ผูกขัด คำตามคำสอนของพระองค์ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าการมีสติกวมหลงไปสะดวกเลยรวมรู้สึกตัวสะดวกที่สุดแล้วถ้าจะเป็นนักลุกก็รู้จักสมองระพุมในสนามอย่างช่ำชอง ก็ส ะ, สะดวกถ้านักรคได้รู้จักสมงงรภูมิดีก็ไม่มีทางแพ้ได้ด ว, ว่าชัยภูมิที่ดีนิสติสตเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงพื้นที่นี้ยืดได้แล้ว <c oughs> ว่าไม่เป็นรูปเป็นนาม นี่เรียกว่าชัยภูมิของนักรบของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อลวความชั่วทากบีได้สะดวกอะไรที่มันเกิดจากรูปจากนามอะไรก็ตามมันต้องบังเกิดอยู่บนนี้บนรูปธรรมบนนามธรรมนี่สติจะเป็นผู้เห็นทั้งหมดเลยเหมือน โจทีวีที่มีข่าวจากดาวเทียงทั่วโลกมารวมลงที่โจทีวีเราก็เห็นได้ <c oughs> ฉันใดก็ดีต่ทำทั้งเมวนทั้งหลายนั่นมันไม่ต้องไปดูที่อื่นมันแต่มีสติเหมือนคนมีอยู่นักรกที่มีชัยภูมิที่ดี ข้อที่สองนักลบดูจบขันห้าตามความไม่จริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ชื่อตัวตนลูกก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง รูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญามัไม่ใช่ตัวตนสองขานบินญาณไม่ใช่ตัวตนได้เป็นนักลุกยิงได้ไกลแล้วถ้ารูอย่างนี้ทะลุทะลวงไปไกลเมื่อรูปรูปรูปรูปรูปดัง่าแล้วก็รูปขันหน้าอย่างไรแต่รูปไปไกลเหมือนนักลุกที่ยิงได้ไกลที่สุดอู้ปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับเครื่องบือจริงๆเนาะ เห็นขันหน้าตามความเป็นจริงใบไกลทะลุทลวงไปไม่มีอะไรขวางกันได้อาจสุดลอยก็ได้แต่มันไปแล้วยิงไปก่อนแล้วเราก็เลยลู่ตามไปง่ายขึ้นอะไรที่มันเกิดจากรูปจางนามมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความไม่ใช่ตัวตนทั้งันั่นก็ทำให้เราสะดวก ความปัญหาทําให้เกิดปัญญาความยากลําบากทำให้เราสะดวกมันสะดวกตรงที่มันยากมันสะดวกตรงที่มันมีปัญหามันสะดวกตรงที่มันเป็นทุกข์นี่เดียว่ายิงได้ไก่มันคุยทางไปแล้วนักลก ป, ประเภทเอย่างที่หนึ่งคือ ยิงได้ไวและแม่นยำทั้งใบทั้งแม่นยำด้วยคือเห็นอริัสั์ตามความจริงมีเหตุมีผลมีสมุทัยมีสังขารมีอวิชชามีวิชช า, าเป็นคู่กันเลยมีสังขารมีวิสังขาร มีความหลงมีความไม่หลงมีความทุกข์มีความไม่ทุกข์ที่สัตว์เป็นอย่างนี้มีความโกรธเป็นความไม่โกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธยิงได้ไวเร็วไวแม่นยำไม่เสียเวลาตรงนี้เลยเมื่อมนโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธแม่นที่สุดเลยนะย ไม่จะมีศัตรูที่ไหนเหลืออันที่สี่กำลังผลน้อยแต่ปราบผ่าศึกได้มากคือทำลายอวิชชาเป็นวิชาได้เปลี่ยนได้มันเป็นทางไปอย่างนี้ เปลี่ยนควบหลงเป็นควบไม่หลงกำลังพล น, น, น้อยเท่านี้เมื่อไม่หลงอะไรปีขึ้นได้ทำลายข้าสึกได้จำนวนมากถ้าจะเป็นถ้าจะเปรียบเทียบพวกเราปฏิบัติมันสะดวกจริงๆพระเจ้าก็ตัดลางนี่เจี่กิจูต้องหลอยนักลบสี่ประเภทคือรประกาฐานนี่เองอยู่ในกำมือเรานี่แหละ ถ้าผู้ไดจะเลื่อสติเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์ตามความเป็นจริงเห็นอริสัตตามความเป็นจริงเห็นสังขารเห็นบิสังขารตามความเป็นจริงมันหนีไม่พ้นที่ว่าไม่มีแพ้ก็แล้วกันมีทางชนะได้อย่างเดียวคือชนะตไม่มีแพ้ ผู <utan> ías, no. intense, ้มีสติปิดอบายภูมิได้เง็ดขาดมั่นใจเราเห็นมันอยู่นี่ถ้าเห็นมันก็หลุดพ้นแล้วอะไรที่มันจะมามันก็ทำให้เราเห็นหมดเพราะมันเป็นสติอินทรีย์ใหญ่กว่าตากว่าหู หยกกัวจมูกลื่นกายใจใหย่กวัวรูปรถกิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆถ้าเป็นสติอิงสีสติปัฏฐานแล้วคงที่สุดเลยจะเรียกว่านักลบสี่ประเภทก็ได้จะเรียกว่าศิลปะอะไรก็ได้ชำนาญหรือปริญญา ทำนานไม่มีจิงไหนที่ตกไปได้ทกุก็รู้แล้วเหตุได้เกิดทุก็ทำแล้วละแล้ววิธีที่ทำให้ดับทุกได้ทำเป็นแล้วทำได้แล้วแล้วก็พ้นจากสิ่งเรื่องพ้นหริงๆก่งทำไมจะไม่พ้นเราเห็นเหมือนเราเห็นงูเนี่ย เราเห็นงูงูก็ไม่ได้กัดเราเพราะเห็น <Okay. S 1> นี่ตาเนื้อตาในมันโลภกว่าดังโลภกว่าตาเนื้อคือหน้าโลภสติเป็นหน้าโลภเหมือนพระขีนาสกุกผู้มีสติเป็นไม่ในพระขีนาสุกคือพระหารทอันเองไม่ใช่อเลยมับัดกัน ไปแช่รูปเอาแบบประมัติการชื่อเสียงมาวัดกันอันเดียวกันทั้งหมดจดติแม้เราปฏิบัติเริ่มต้นก็เหมือนกันก้าวแรกเหมือนกันหมดมีสติเหมือนกันหมดเปลียนหลงเป็นรูปเหมือนกันหมดก้าวแรกเหมือนกันแต่ท่ามกลางนี่อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็หลงแล้วหลงอีก บางคนก็ง่วงเหงาห่อนอนบางคนก็ไม่ง่วงบางคนก็ไม่หลงสิ่งที่เราหลงเขาผ่านไปแล้วสิ่งที่เร า, าง่วงเหงาห่อนอนเชนิบอลนธรรมเขาผ่านไปแล้วที่มันเคยขวงกันเขาข้ามไปได้แล้วอำนาจจะต่างกันตรงนี้ในท่ามกลางแต่จุดหมายปลายทางเหมือนกันจุดหมายปลายทางเหมือนกันเหมือกันเกิดเก่ดเจ็บตายคือปลายทาง ไม่เป็นอะไรเพราะมีแต่เหยียบย่อมหมดแล้วเลยไม่เป็นเลยไม่มีอะไรที่ให้เป็นอีกหมายถึงปลายทางได้เป็นนรกกัชนะแล้วชนะแล้วชีตังเมชีตังเ ม, ง เ, มเหมือนคนขี่เสืออยู่หน้าวัดสวนป่าเลยรละยะกสวนธรรมเลยรละยะกชี้ตังเมลปลายทางไม่มีอะไรที่ต้องแพ้ อ, อีกแล้ว เห็นหมดแล้วอะไรที่ไล่ไล่เห็นหมดแล้วนี่คือลักษณะของการปฏิบัติเป็นการตอบได้ด้วยทุกคนเรียกว่าปั จ, จตังเบคิดตะปูวิญยูหิตเป็นอย่างนั้นจริงๆมืแต่เราวิสติมื่แต่เราเปลี่ยนลูกเป็นลูก ว่าแตเราเปลี่ยนทุกปเป็น ร, นรูเปลี่ยนโกรธเป็นรูนี่คือสติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ท่องจําไปทําทํากับจริงเหล่านี้แ ล, ล, งล้งานของสติเปลี่ยนหลงเป็นรูงานของสติเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกงานของสติเปลี่ยนโกรธรปเป็นไม่โกรธงานของสติเปลี่ยนล้ายเป็นดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกากับใจเราเนี่ยมันน่าจะข ย, ยันนะ นี่แหละพรปีใหม่พรคืออย่างนี้คือเป็นพระคือความดีอย่างนี้มันมีอยู่ที่เราเนี่เองใหม่เอี่ยมจริงจริงนะเห็นนี่ใหม่นะเป็นนี่ไม่ใหม่นะเก่านะเป็นสุข ก, ก็เก่าไปแล้วเปเื้อนไปแล้วเป็นทุกข์ก็เปเื้อนไปแล้วเป็นผู้หลงเป็นผู้ผิดก็เปื้อนเป็นผู้ถูกก็เปื้อน เป็นผู้สงบก็เพื่อนเป็นผู้พุ่งชั่นก็เปิดเพื่อนจติมันจึงเป็นซื่อไม่เป็นอะไรมันไม่เปื่อนกับอะไรสติินะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นนี่ยไม่เปื้อนละการเป็นนี่เปื้อนนะเป็นไม่ได้เด็ดขาดถ้ามีสตตินะกระตื้อตัล้นตรงนี้เหมือนไฟตกเสคยขางก็ปัดออกทันทีเหมือนจริงใดเมื่อโศกโปรก็เช็ดออกทันทีเอาทิ้งไม่ได้ ตติยิ่งขวนนั้นอีกพู้เจ้าจังเปรียบเทียบเหมือนบิดามารดาเหมือนพ่อแม่สติเนี่ยดูแลอยู่ทุกโอกาสปฏิบัติธรรมคือมาดูแลชีวิตของตัวเองเนี่ยมาดูแลกายใจนะให้มันปลอดภัยจากปัญหาต่งตางๆมันจะเห็นความหลงกู้คู่กับความไม่หลงที่แรกนะ เป็นอย่างนี้จิงอยากจะท่ า, าทายมันนานเหลือเกินเรื่องนี้แล้วอยากให้เราพิสูจน์ลองดูการพิสูจน์ต ร, รงนี้ไม่ใช่เอาจริงเอาจนจนหน้าดําครื่อเคียนไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวไม่ทําไรเลยไม่พูดไม่จาก็ไม่ใช่ก็รู้สึกตัวก็ <c oughs> ค, ค, ค, คือความรู้สึกตัว ว่อยู่กับการพิธีอื่นอื่ๆอะไรก็ได้เล่นกับอะไรก็ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวนะ่ไม่ไม่ตกหมูแร้งไม่เป็นแร้งตกหมูกาไม่เป็นกาอันที่ว่าคงรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนคือความรู้สึกตัวอยู่คนพานก็มีคือความรู้สึกตัวอยู่กับบัณฑิตก็คือความรู้สึกตัว จึงเป็นธรรมที่คุ้มครองโล ก, ก บ, บาลยิ่งใหญ่เข้ามจวนโลกเพราะมันอันเดียวเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นมั่นคงนี่ถ้าเราได้มีถ้าเราได้มีสติแล้วถ้าสตินั้นเป็น ถามจริงๆนะมันจะรักษาทำย่อมรักษาผู้ปติธรรมให้ตกไปในชั่วผู้ปติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเป็นไปเองมาช่วยเราเง้าไว้อะไรเกิดขึ้นจะไปแตสติง้าไว้โกนอะไรทั้งสิ้นเลย เรบยว่าสติปัฏฐานมาไวไห ม, ไมเลี้ยวไวของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความชั่วทอมความดีบริสุทธิ์แป<บ>๊บเดียวเลยทีเดียวเป็นกรรมที่จักจิตธรรมฐานเนี่ยพิสูจน์ดูก็ได้มีความรู้ไอ้รู้ซื่อๆนะ บางทีไปเพ่งเอาจน จ, อ จ, น จ, นอจน้องจนเครียดจนง่วงจนเบื่อก็มีนะไม่ใช่ถ้าทำถูกมันจะไม่มีอะไรมันจะมีรสชาติรสพระธรรมย่อมชนะรสต้องพวงดูซื่อๆนี่มันไม่มีรสอะไรที่เปรียบเทียบได้อันเผ็ดอันเค็มมันหวานนันเปรี้ยว มันไม่ซื่อๆมันมีรสอันใช่อันขวาอันลู้ซื่อๆมันไปตรงๆไปบ่ได้สัมผัสกับพระาที่ลู้ซื่อๆนรือโอ้ยพอใจมีคนมีครูสอนโหล่คนแรกคือหลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้ซื่อๆเนี่ยคิดถึงรู้ถึงเมียก็ลู้ซื่อ จืดไปเลยคิดถึงคนที่เคยโกรธชา้าเบียดเบียนเราก็รู้ชื่อชื่อชินกรรมจริงๆล้างบาปล้างกรรมจริงๆพ้กรรมจริงๆถ้าว่ารู้ชื่อชื่อเนี่ยมันหลงก็รู้ชื่อชื่อมันไม่หลงมันรู้ ก, ก็รู้ชื่อกกชื่อมันสุขก็รู้ชื่อชื่อมันทุกข์ก็รู้ชื่อชื่อเลยไม่มีค่าเลยสุขสุขทุกข์ทนะี่ย แม้มันมีอารมณ์เกิดขึ้นกิเลสตันหาตนาร้อยแปดูลชื้อซื้อไม่มีค่าเลยไม่มีรอยถ้ามีรอยมันก็ไม่ซื่อแล้วสุขก็พอใจทุกข์ก็ไม่พอใจมีรอยไม่ซื่อแบบนั้นโค้งไปแล้วซ้ายไปแล้วขัวไปแล้วนลวพ่อเทียนพูดว่าโลชื่อซื่อ เรามาทำาวมเป็นเป็นรถเป็นชาติเพียงแต่เสียงพูดเอามาทาให้เกิดรถเกิดชาติ้าไม่เห็นได้สัมผัสคาพูดได้สัมผัสได้สัมผัสกับอกคาพูดเอามาปฏิบัติจนสัมผัสได้ไม่ต้องมีคำถามตรงนี้เลยระหว่างหลงกับพอไม่หลงไม่เป็นอย่างไรมันรู้ชื่อ มันก็ชื่อไปแต่พึ่งตะพื่อไปเอาอั น, นั้นไปหลังอันนี้ไปหลังอลูชื่อชื่อมันไปไปนะไม่ใช่หมอรรจุนนะมันผ่านนะลูกชื่อชื่อมันแล้วแล้วน่าหลงลู่ชื่อชื่อวมหลงก็แล้วไปแล้วถ้าจะเป็นคนถ้าจะเปลี่ยนกับการทํางานเก็บเหมือนกับเขียนการเกี่ยวข้าว ความหลงเหมือนกับต้นเข้าวรูดชื่อชื้อเกี่ยวไปแล้วหมดไปแล้วหลงที่ใดรูดชื่อชื้อทุกที่ใดรูดชื่อชื้อความหลงหมดไปหมดไปความทุกข์หมดไปหมดไปความโกรธหมดไปหมดไปบรรลุชื่อชื้อนะถ้าสุขถ้าโกรธเป็นผู้โกรธต้องเปลี่ยนความโกรธต้องสู้ความโกรธไม่ใช่รูดชื่อชื้องานไม่เสร็จแรง เป็นการว่านง่ายๆนะปฏิบัติทำไม่น่าจะยากนะเนี่ท่ามกลางอาจจะต่างกันตรงนี้ถ้าทำถูกมันง่ายไม่ว่าอะไรล่ะไปได้ง่ายงานมันบอกจึงตัวใครตัวมันไม่ช่วยกันว่าอะเป็นแต่เพียงเป็นเพื่อนกัน เพื่อนกันเป็นสาวคนความรู้ชื่อๆไม่ใช่เป็นหญิงไม่ใช่เป็นชายไม่ใช่เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นเพศเป็นวัน ย, ยรุ่นในกายรู้ชื่อๆตัวเนีืยจึงมาเริ่มต้นก็เถอะพวกเราปีใหม่ปีนี้เอาเราจริงๆลองดูรอให้สถานีเป็นที่พิสูจน์เรื่องนี้ลองดูนะ ไม่ใช่อยู่ที่นี่ก็ได้ถ้าเดินหลับกับนี่ไปแล้วไปทำที่ไหนก็ได้สบายยมันอยู่กับเราแล้วรู้จากเชฟภูมแล้วเหมือนกับนักโลกสี่ประเภทแล้วรู้จากรูปจากนามรู้จากขันห้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราเนี่ยสุกทุกข์เป็นขันห้า จำอะไรมาติดอะไรมาเป็นขันธ์ห้าว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ถัวตนไปได้เลยมีปัญหามีปัญญามาพ่อมันคู่กันไปมันก็มีทางชละได้มันเกิดให้เราเห็นอยู่ไม่ใช่รีไม่ใช่ลับถ้าเป็นความถ้าเป็นความถูกก็บาใช่รีลับ ได้เป็นความสุขก็ไม่วีแล้วมันมาแบบง่งู้แล้วเป็นจิตีก็ฉลาดขั่วชั้นเชิงเหนือขั่วทำไมจะไม่ช น, นะทำผัดดูก็ได้เพียงแต่ไอแฮ ม, <c oughs> ม่นีมนก็มก็วิ่งหนีแล้วไม่ได้ไปกัดจหมัดกัดฟันสู้จน เหมือนกับยากเข็นโคกขึ้นเขาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันง่ายเหมือนเข็นโคกลงเขาคลองดีว่ารู้ซื่อๆเนี่ยเห็นไม่เป็นมันง่ายๆสบายสะดวกที่สุดไม่ต้องกระดุกกระดิกก็ได้โดยเฉพาะเห็นความคิดเนี่ยต่หมดปัญหาเขาตรงที่เห็นความคิด จะเปลี่ยนชีวิตได้จะมีชีวิตได้เขาเมื่อเห็นความคิดชัดเจนจนความคิดที่ไม่ตั้งใจล้มละลายจนสิ้นชากไปเลยนี่เทว่าชนะสิบทิศกว่าได้เอาต่อไปนี้จะไม่เอากายเอารูปมาเป็นสุขเป็นทุกข์จะไม่เอากิตเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เอาชีไ้ไปห้อยไปแขนไม่อีกต่อไปแล้วหรือ ก, กันแล้ววัเนี่ย นี่เห็นความคิดน่ะเรียกว่าอาการดับไม่เหลือแห่งนา ม, มารูปผู้ได้เห็นอย่างนี้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตน้อยปีเนาะมันมีชีวิตตรงนี้ต่ก่อนตรงอื่นไม่มีชีวิตเลยร่มรู้ผู้ขานกพมาได้ชีวิตจริงได้ตรงนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรอีกแล้วดนอย่างนี้ ก็จะเป็นสมบัติของมนุษย์ว่านิพพานสมบัติอะไรก็ว่านิพพานตรวจน้ามกว่านิพพานแต่ไวยทานก็นิพพานเป็นจุ๋มไหลไวยทานแม่เตอร์โบราณกลมลูกก็มีนิพพานอื้อหน่องจมอก็เจ้าพ้น พัฒนากายจนทั้งกายทั้งใจบ้านพี่เมืองน้องปองตรงกันไปพัฒนามีชัมีสุ ข, ขการพัฒนากายใจถึงมรรคผลนิพพานเลยนี่กายไม่ใช่เอลังก็มีร้วยการชจนีนะกราบพระอ